ขอกราบหลวงพ่อพู้เป็นประทานและคณะวิปัสนาจารย์เพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอเจริญสุขสัสดียญาติโยมผู้มีศรัทธาในการปฏิบัติธรรมทุกท่านอาวันนี้อาตมาก็ได้รับหน้าที่ให้เป็นผู้กลา่าวแสดงที่แจงในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไป เราท่านทั้งหลายก็จะมีโอกาสได้มาประพฤติธร ร, ร่วมกันสามวันผ่านมาแล้วถึงวันนี้ด้วยการศึกษาพุทธศาสนานั้นเพื่อที่จะให้รู้เข้าใจโดยแท้จริงแล้วก็ต้องมาศึกษาลงที่กายที่ใจของเราเพราะว่ากายใจของเรานี่และเป็นที่ตัวแทนพุทธศาสนา องกมเด็ดพระปรเมศสะดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ส่งค้นคว้าในกายในใจของพระองค์จนพระองค์ไรู้แจ้งเห็นจริงว่าความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาจากความไม่รู้ไม่เข้าใจตัวเองความทุกข์มันที่ไม่เกิดขึ้นเมื่อพระองค์ทรงรู้จักพระองค์เองแล้วรู้จักรู้ว่าทุกข์คืออะไรเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไร แล้วก็การประพฤติปฏิบัติเพื่อถึงนึ่งความดับทุกนั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทเป็นผู้ที่ได้รับพระธรรมคําสั่งสอนมาเป็นเวลาอันยาวนานตั้งแต่บรรพฤษของเราทุกคนทุกท่านต่างก็เป็นพุทธบริษัทที่ได้ประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีหรือว่าดับทุกประพฤติปฏิบัติธรรมในฝ่ายที่เป็นศีลธรรม หรือรเทจนีด้วยวัฒนธรรมต่างๆมามากพอสมควรแล้วทึ้งการให้ทานรักษาศีลด้วยการทําจิตใจให้สงบระงับบางท่านก็คงจะได้ทุปฏิบัติมาพอสมควรเพราะนั้นก็ถึงเวลาที่โอกาสที่เราทั้งหลายที่เป็นผู้เผยสัตยที่จะต้องยกระบาดจิตใจของเรานั้นให้สูงด้วยการมาประพฤติปฏิบัติธรรมในขั้นเรีวยกว่าฝึกถัดจิตใจตนเองนั้น ให้เข้าถึงซึ่งความสะอาดโดยสุดพระโอวาทของพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงตรัสก็อยู่สามภารกิจอย่างว่าหมายถึงว่าการประพฤติดีคือประกอบสุขริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอย่างที่สองละความชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอย่างที่สามคือทำละจิตใจให้สะอาดหมดจดจากเครื่องเศร้าหมอง มีความโรคความเกิดความหลงเป็นต้นทของการละความชั่วกะทำความดีอันนี้ก็เป็นคำสั่งสอนระบัดศีลธรรมเป็นการสั่งสอนเ ห, หล่าเท่านั้นละจากความชั่วที่ระพื้นออกทางกายทางวาจาทางใจอันนี้ก็ทรงบัญดัตศีลเป็นข้อวัดปฏิบัติถ้าเป็นญาติโยม อ, อยู่ในบ้านก็คงจะมีศีลห้าในการที่จะควบคุมกายวาจาด้วยข้อวัดปฏิบัติของตนเองหรือว่าในผู้ที่เป็น อุบาสกอุบาสิกาก็คงจะมีศีลแปเป็นเครื่องรับปฏิบัติในทางพระวินยัยในการที่จะควบคุมความประพฤติของตนเองนั้นให้ละเอียดสูงยิ่งขึ้นหรือผู้ที่บว่เป็นสมณะก็คงจะมีวินยัยมีศีลสิบเป็นข้อรัดปฏิบัติในส่วนที่จะให้เป็นผู้ที่มีความระเบิดเรียบร้อยสูงขึ้นผู้ที่เป็นพระสงฆ์ก็คงจะมีศีลสอร้อยหกสิ 127, เป็นพระวินยัยเป็นข้อวับปฏิบัติ ในการที่จะรวบรวมระวังข้อวัดปฏิบัติในฝายกลายแลาาย้วก็ฝ่ายาจาทีนี้ฝ่ายจิตใจของเรานั้นก็ต้องอาศัยทำรรอาศัยการฝึกการหัดทําการปฏิบัติธรรมนั้นก็เพื่อที่จะให้เราทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่รู้รู้เข้าใจความจริงความจริงอันทีนี้จะหมายถึงว่าความทุกข์ทำไมมันถึงจะพบในตัวของเราเคยไม่เกิดทุกข์ทำไมถึงจะทบ คนพบหาในตัวเราของจริงธรรมการมาปฏิบัติของเราทั้งหลายนี่ก็เป็นการมาศึกษาหาความทุกข์เรามาไม่ได้มาหาความสุขนั้นนี่มาหาความทุกข์มาดูความทุกข์ที่มันมีอยู่ในกายในใจมาศึกษามาหาดูมาเดินจงกรมาสร้างจังหวะมาฟังธรรมะเนี่ยก็เพื่อที่จะให้รู้จักทุกในตัวของเราถ้าะส่วนมากเราจะมองไม่เห็นทุกข์เพะนั้น ขุบาอาจารย์ท่านจึงชี้มาที่จิตที่ใจให้มาดูจิตดูใจว่าความทุกข์นั้นมันเกิดมาจากกายจากตใจของเรานี่นเองทุกทางกายเราก็มีเมือนกำหนดความเจ็บความป่วยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของสังขารดังกายมันเป็นธรรมชาติต้องเป็นอย่างนั้นมันเกิดมาแล้วมันก็แก่ก็เจ็บก็ตายเป็นลักษณะของความไม่เที่ยงของสังขารมันก็เป็นอย่างนั้นทีนี้ความทุกขในทางด้านจิตใจทางด้านความคิดทางด้านอารมณ์ต่างๆ ที่จิตใจมันไม่สงบระงับจิตใจมันเล่าร้อนจิตใจมันมีแต่ความสับสนวุ่นวายเนี่ยเราจะทำอย่างไรเพื่ให้มันสงบระงับลงได้ก็มีวิธีการเจริญสมาธินี่แหละนเรียกว่าสมถวิปัสสนาสมถธามหมายถึงการทําใจนั้นให้มีความสงบนั่นคือการมาทําใจให้เกิดความสงบเป็นปกติแล้กวกายังไม่เกิดปัญญาทีนี้ฝ่วิปัสสนาควมหมายถึงการเจริญสติเจริญปัญญา ให้ <c oughs> มีสติมีปัญญารู้เท่าทันจิตใจตัวเองเช่นที่เรามายกมือขึ้นเอามือลงจกบมือเข้าเอามือออกเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เกิดสติควรมาลึกรู้สึกตัวเพราะว่าธรรมชาติของเราที่อยู่โดยปกติธรรมดาที่เราไม่ได้สึกได้หัดเราย่อมปล่อยะละละเลยไม่ไม่เคยมาที่จะกำหนดสติที่อยู่ในกายเช่นจะทํะากิจกรรมงานหน้าที่ต่างๆก็ทำไปโดยที่เราไม่ได้กำหนดรู้ไม่รู้ ก็ทำไปโดยตามความรู้สึกเคยทิ่มทําไปตามสิ่งที่เราเคยทํามาแต่ที่เมื่อเรามาฝึกแล้วเนี่ยจะยืนเดินนั่งนอนคุยเหยียดเครื่องไหววิบวบใดเราก็เป็นผู้ที่มีสติตหมบตรู้สึกอยู่ทุกขณะเพื่อให้ความรู้สึกอันนี้มันถี่เข้าถีเข้าเในการที่จะเป็นมหาสติกฐานก็ต้องทํา่อยๆนะทําให้มากๆทาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่ทุกขณะ เพราะความคิดต่างๆนั้นมันเป็นของละเอียดหากว่เราไม่มีสติหรือไม่มีสัมปทัญญะที่จะไปกำหนดรู้มาแล้วเนี่ยไม่ทันเพราะมันว่องไวมากธรรมชาติของจิตเนี่ยมันคิดไปโน้มคิดมานี้คิดอยู่เรื่อยๆไปไม่หยุดเลนมีแต่เรื่องของความคิดที่เราอยู่ในจิตในใจของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะมาหยุดกระแสะของการคิดตรง่งแต่งนะมาหยุดกระแสะของการที่จะรเร่งแต่งเราะปรดหลงเนี่ยเราก็ต้องมาฝึก กายานมส่สนาสติปัฏฐานที่มีสติฝึกเป็นไปในกายรู้กายเห็นกายหรือสมุดของกายด้วยคำว่าสมุดนี่หมายถึงว่าสมุดเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นดาวเป็นเขาก็่ว่าสมมุดถ้าโดยประมัดแล้วก็เรียกว่าธ า, า, าตุบินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมาประชุมกันเป็นกายนี้ที่เรียกว่าเราว่าเขาซึ่งมีวิญญาณและมีความรู้สึกรรประกอบเข้าด้วย จึงเรียกว่าคนก็สัตว์เรียกว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้สมมติเลือกกันขึ้นมาแต่ว่ากล่าวโดยปรมาทิฏแล้วเนี่ยหาสักหาบุคคลไม่มีเป็นสิ่งที่เราสมมติเลือกกันขึ้นมาเท่านั้นเองนั่นก็จึงเป็นธรรมชาติของรูปของนามที่ประกอบกันอยู่ั้าเมื่อเราเข้าใจสมมติอย่างนี้เราก็แบบทสติลึกรู้สึกให้เป็นตาในตาว่าสิ่งที่ยืนอยู่นี้คือรูปสิ่งที่นั่งอยู่นี้คือรูปสิ่งที่รู้สึกอยู่นี้คือนาม ตัวเคลื่นอนไหวอยู่นี้คือรูปเจรรู้อยู่นี้คือนานมารูปกับนามมันประกอบกันอยู่อย่างนี้ตาหูจมูกลิ้นกายกระทบสัมผัสทั้งรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็่ผลพัะนาในการกรทบทางกายนี้เป็นรูปจิตที่รู้สึกอยู่ภายในนั้นเป็นนานมเป็นนานมธรรมที่มันเป็นผู้รู้ผู้ตังอยู่ใ น, นลักษณะของขันท่าที่ท่าบัญญัติไว้ในตามหลักธรรมะร้อยท่าบอกว่า เวทนาคือความรู้สึก ส, ส, สุขทุกนิจนนามสันวาความจาบ้าหมายรู้นีิจ น, นามสังขารหมายถึงจิตที่ไม่คิดปรุงต่งภายในอารมณ์ต่างๆคิดดีบ้างไม่ดีบ้างคิดกลางๆบ้างอันนี้เรียกว่าสังขารจิตที่เข้าไปรับรู้ทา้งถาวรทั้งห้าทั้งตาหูจมู ก, กลิ้นกายเรียกว่าบินยานเพราะนั้นในร่างกายของคนเรานี้แล้วก็รูปนามเรียกว่า มีปลารูปกับน้ำเท่านั้นที่ทําหน้าที่อยู่ปลารูปน้ำนี้ก็เอาจากกันล้อความเป็นตัดเป็นคนก็ไม่มีนะภาพดินภาพน้ําก็ไปภาพดินภาพน้ำเป็นอย่างนั้นแยกกันออกไปเพราะเมื่อมันมารวมตัวกันเข้าจึงมีค น, น, นชื่อ น, นั้นชื่อนี้อย่างนั้นอย่างนี้มะเรียกว่าเป็นะการพมุตเลือดสิ่งที่มันมีอยู่ให้เชืเ่อรล้กันเป็นภาษาวิสุทธิธรรให้เข้าใจกันเพราะว่าเรามาปฏิบัตธรรมะล้วต้องพยายามที่จะ กำหนดให้รู้ทำมาทีนี้กายเส้นเหล่านี้ก็เป็นรูปจะรู้สึกอย่านี้เป็นนามมันรู้อย่างเงี้ยรู้โดยใ น, น, นอารมณ์สองอย่างหมายถึงว่าทำจิตที่เป็นเตในกายแล้วก็รู้เข้าไปในจิตใจแต่ขัน้นแรกนี้เราไม่สามารถที่จะแยกแเลือดไม่สามารถที่จะรู้ทำได้ก็จาเป็นที่ต้องมาสร้างสติเตินสติวิธีการนั้นก็มีหลายแบบหลายวิธีการาตามหลักของการเติมกรรมฐาน พระครูบาอาจารย์นั้นก็จะแนะนนวิธีการปฏิบัติไปกันต่างๆต่อก็เป็นอุบายเพื่อที่จะให้เรานั้นเข้ามารู้จิตรู้ใจรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเรานีเองนั้นเมื่อในระดับของการเจริญจิตบาปเคลื่อนไหวนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทําให้เรานั้นรู้เข้าใจเข้าไปถึงจิตถึงใจของเราได้ด้วยการมาฝึกิติให้มันมีความรู้สึกตัวเท่าเทีมนิทักนณะเมื่อทําไปทําไปทําไปความรู้สึกอัน น, น้อยนี่นเอง มันจะมีการพัฒนานะแลกพัฒนาตัวมันนั้นให้เจริญริ่งขึ้นอมีความรู้สึกมากขึ imagine, function, นท kamera, ทน้นมากขึ้นจนเมื่อจิตมันจะนึกคิดเพ่งในเรื่องใดแล้วเนี่ยสติของเราเนี่ยมันจะเข้าไปรู้ทันต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นคือเมื่อสติเข้าไรู้ทันทุกขณะทุกขณะขณะที่มันกระทบสัมผัสแล้วเนี่ยระหว่างรูปกับนามันสัมผัสกันแล้วเนี่ยมันสัมผัสกันเกิดขึ้นเนี่ยตัณยามันต้องการที่เป็นผู้ที่ว่าผู้ก็จะเกิดขึ้นมา เพราะว่าปัญญาส่วนนี้เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการกระทำมันเรว่าปัญญาที่เกิดขึ้นจากการภาวนาภาวนาม่ว่าปัญญามาทั้งตัวที่รือสัประการที่มันกระเพิกบ่อยๆมันเกิดบ่อๆเกิดรักเกิดชังเกิดเกิดเกลียดเกิดความพอใจไม่พอใจเกิดอิจฉาพทิฏฐิเกิดความเป็นเพิกเป็นสุกขึ้นมาในจิตในใจเราต้องดูมาต้องดูที่นันปัญญาแล้วมันจะรู้จักเองเมื่อสติมันรู้ทันแล้วปัญญามันจะเกิดเพราะฉะนั้นเมื่อสติเรารู้ไม่ทันแล้วเนี่ย ทำยาเกิดไม่ได้เพราะว่าโมหะมันจะเข้ามาทําหน้าที่แทนเพราะโมหะเอ็นแทบขงความเหลอใจความหลงใจไม่รู้ไม่เห็นใจตัวเองมันไม่ต้องคิดก็ไม่รู้แล้วก็เป็นไปกับอารมณ์กับความคิดอยากชังขึ้นมาก็ชังอยากเกลียดขึ้นมาก็เกลีดไม่รู้ว่าความเกลีดนั้นเป็นกลีลดเป็นความทุกข์ไม่รู้จักแต่เมื่อมาฝึกสติมากๆแล้วเนี่ยมันรู้จักว่าโอ้ธรรมชาติจิตใจของคนเรานี่มันเป็นปกติมันเป็นสิ่งที่สะาดไปสุด ของเสาอยู่เดิมแล้วเนี่ยแต่เมื่อเราไม่มีสติเข้าไปรู้มันนะโมหะมันถึงเกิดขึ้นคือความหลงเกิดขึ้นเมื่อความหลงเกิดขึ้นแล้วเนี่ยตัวโกรธก็เกิดขึ้นหรือโลภะก็เกิดขึ้นโทอดะเกิดขึ้นโมหะเกิดขึ้นมันอาศัยเกิดขึ้นถ้ามีโมหะนั่นแหละเป็นมูลเหตุความไม่รู้ไม่เข้าใจแต่ทีนี้เมื่อเรามาฝึกสตินะเอาสติที่ความรู้สึกเนี่ยทุกขณะทุกขณะทุกขณะใส่เข้าไปใส่เข้าไปในจิตในใจรู้สึกอยู่บ่อยครั้งบ่อยครั้ง แล้วไอเตียโมหะที่มันเคยหลงเคยเผลออยู่ไม่เข้าจางใครไปก็เหมือนกับเราเอาน้ํำน่ะที่เธอลงในตุ่มแล้วพีแรกในตุ่มนั้นมันไม่มีน้ํามันจะมีแต่ลมมีแต่ลมลมกับเตียงโมหะเมื่อน้นําใส่ลงไปใส่ลงไปน้ําก็จะขับลมออกน้ําก็จะเติมเตี่ยงอยู่ในตุ่มทิ้นเดียวตะลอยสุขสตินะเดินจงกวนสร้างจังหวะมีความรู้สึกตัวอยู่ทุกขณะในการไปการมาทีนี้ไอความรู้สึกตัวนั้ น, เเนมันจะค่อยมากเข้ามากเข้ามากเข้า เปสามารถเรามองเห็นจิตถึงนใจเราชัดเจนนี่เป็นลักษณะของการที่เราฝุขสขติก็เป็นอุบายเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นมองจิตใจตนเองๆๆนั้นให้เห็นละเอียดลึกซึ้งเข้าไปลึกซึ้งเข้าไปเป็นควาสามารถที่จะถอดถอนไอตัวความโลภความโกรธความหลงที่มันเคยเกิดขึ้นกับจิตใจนั้ น, นขอว่าถอนขโมนออกได้แต่ก็ต้องอาสายการทําอย่างจริงจังเลยนะการปฏิบัติพันเนี่ยถ้าก็ทําพันแบบไม่จริงจังแล้วก็ทําแบบ เล่นๆแ้เนเราก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะไอ้ความเคยชินของใจเราได้เพราะใจเราเนี่ยมันเคยชินนะเคยชินที่จะรัก <arose> เคยชินที่จะชัง <arose> เคยชินที่จะเกดิด <arose> เคยชินที่จะพอใจไม่พอใจมันเคยชินมันมากแล้วทีนี้เมื่อเรามาสึกหัดเนี่ยในขณะที่เรายกมือขึ้นเอามือลงเนี่ยเราก็ต้องทำํำใจนัน้นให้อยู่ในระหว่างกลางๆคือไม่ยินดีไม่ยินร้ายในระหว่างที่เราจะทําอยู่มาทําใจเป็นกลางอยู่ จับจามรู้สึกให้ตากดชัดรู้สึกชัดยกขึ้นรู้สึกชัดเอามือเข้าเอามือออกรู้สึกชัดเมื่อจิดมันคิดขึ้นมาในแรกๆเนี่ยเราคึดใหม่ๆนี้ยังก็ไม่ทันเล่นะก็พยายามที่จะอยู่กับความรู้สึกตัวน่ะตัวนมาแต่เพื่อที่เคยปฏิบัติหรือว่ามีสติมากขึ้แล้วเนี่ยก็จะเห็นความคิดความคิดนั่นตากดชัดมันคิดขึ้นมาเอาผ่านไปมันคิดขึ้นมารู้ผ่านไปคิดขึ้นมารู้ผ่านไปมันเป็น เราต้องให้มันผ่านไปให้อเราไม่ไปยึดติดหรือไม่ไปเกาะในอารมณ์ความคิดเหล่านั้นจะคิดดีก็ตามเราคิดในสิ่งที่ไม่ดีก็ตามคิดแบบใดก็ตามมาคิดขึ้นมาแล้วเป็นแต่เพียงรู้มาเท่านั้นเองรู้แล้วไม่เป็นไปกับความคิดเป็นผู้รู้ความคิดรู้เวทนาหรือความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นรู้สัญญาที่มันปรากฏนึกขึ้นมารู้สังขารที่มันทรงต่ณจิตรู้ธรรมเวลาที่จิตมันเกิดความรู้สึกสุขสบายจิตใจ มันเป็นปกติอยู่ก็มีสติรู้สึกอยู่ในขณะอ่อนขณะนี้จิตเป็นอย่างนี้แต่ในขณะใบจิตที่มันรู้สึกเป็นทุกข์อึดอัดไม่สบายมันมีจิตใจที่รู้สึกเฉินเฉียวหงุดหงิดฟุ้งซ่านไม่สบายก็รู้ว่าอ๋อขณะนี้จิตมันไม่สบายสติเกิดรู้ลงไปที่ใจคือในขณะใบที่จิตมันเกิดราคาเกิดความกำหนัดยินดีตอนนี้ก็มีสติกำหนดรู้สึกใาขณะนี้จิตเป็นอย่างนี้ปัหาอุบายในการที่จะ และความเป็นอย่างนั้นแล้วที่ทําสติมันรู้สึกรู้สึกรู้สึกแทนแล้วมันก็จะตัดไปหายไปเพราะวิธีการที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่ต้องทําแบบละเอียดอ่อนแล้วก็เยียบคายถ้ากว่เราทําแบบไม่ใส่ใจไม่ไข้เขินในพิศนาแล้วเนี่ยเดินด้วยใจลอยนั่งก็นั่งใจลอยนั่งโดยการไม่ทําความรู้สึกให้มันติดต่อก็ยากที่จะรู้จะเห็นบ้างเพราะฉะนั้นการกระทําเนี่ยจถือว่า ต้องใส่ใจมากๆเลยเอาใจมาใส่ในการกระทามากๆเลยมันเป็นการที่เรามีสติอย่าแพ้ใจอย่าเผลอใจพยายามตามความตามดูดูใจดูใจดูจากดจากดจากดูอย่างนี้แหละกกาารเคลื่อนไหว ใ, ใจรู้ใจเมื่อคิสติตามรู้รู้มันอยู่อย่างนี้รู้ดยู่บ่อแล้วเนี่ยอะไรใดที่มันกระทบสัมผัสเมามีแต่รู้รู้ไอ้ตัวรู้เขาบอกตัวพุท ธ, ธพุทธภาวะเป็นตัวสติ เป็นตัวสัมปชัญญะเป็นตัวปัญญาหรือว่าเมื่อมันรู้มากเขาเรียกว่าเป็นตัววิจสนาญาณเป็นเ ท, ที่จะยังรู้เข้าไปในอารมณ์ความรู้สึกในคิดต่างๆเพราะนักปฏิบัติเร า, ท, าทุกท่านก็ขอให้มีความพยายามนันนรู้สึกว่าสองวันที่ถามมาแล้วเนี่ยก็มีความเพยียนรจนสมบักขเน่นกันดีแล้วก็ทํำสติันได้ดีพอสมควรเพื่อที่ไม่ทันาทาก็มีส่วนน้อยเฉะนั้นก็ขออยาเกเรยนนี้ได้ยพยายามตั้งใจจะทํา้วยพยายามที่จะ ให้สภ า, านั้นมันแต่กล้าขึ้นนั่นคือความเชื่อมั่นในตัวเองนั่นแหละถ้าทำไม่มีความเชื่อมัน่นว่าเราก็ผู้หนึ่งแหละที่จะสามารถจะทำความรู้สึกตัวได้าเราก็ทําลงไปจริงๆแล้วก็มีความเพียรมีความพยายามจริงๆแล้วก็เป็นผู้ที่พยายามที่จเะเชื่วมระวังสติขัะลูกรู้สึกตัวเที่พร้อมอยู่ว่ามันเผลอไปแล้วก็ท่านมันเอามาตั้งต้นมาเผลอไปแล้วก็พยายามที่จะตั้งต้นมาทีนี้อยู่อย่งนี้ ความเคลดอะไรที่มันผ่านเข้ามาในจิตในใาก็อยากไปหลงอยากไปเพลินตามแลนนะพยายามกลับมาอยู่ยที่ความรู้สึกตัวบ่อยเข้บ่อยเ ข, ข้าเจิตใจจะเริ่มสงบในขณะที่จิตสงบนั่นแหละมันเป็นทั้งศีลทั้งสตุทั้งสมาธิทั้งปัญญาเดียวกันไม่แยกออกจากกันในภาวะที่เป็นเชนั้นเราถึงความสงบแล้วคับเป็นปกตินั้นคือลักษณะของศีลแต่นั้นกายก็ไม่กระทำพุทธผแล้วาจาก็าไม่พุทธผล้ว นอกจากใจเองก็เป็นปกติอยู iens, work, adan, ่โดยธรรมชาติน un> ั้นเป็นลักษณะของศีลที่เป็นประมัดแล้วในขณะที่จิตมีความตั้งมั่นหรือมีความมั่นคงไม่สับเปลไม่รบกวกหรือว่าไม่สับเปลี่ยนในอะไรมดอื่นมันดยู่กับความรู้สึกจิตเยี่ยงตรงเป็นมุ่งอยู่นั้นเป็นลักษณะของสมาธิแล้ะใจที่มันมีความมั่นคงในขณะที่จิตจะมีความรอดรู้เยื่อในจิตในใจก็มีการรู้เห็นรู้เห็นนามปรากฏขึ้นอยู่นั้นเป็นลักษณะของธรรมญา มนเป็นเป็อยู่อาศัยก็มีอย่างนี้แหละลักษณะของนามธรรมถ้าเรากล่าวโดยภาษาประยับนั <c oughs> <So> Carrie, yeah, ้นเราอาจจะแยกแออกมาเป็น่างอย่างได้แต่ในลักษณะปฏิบัติล้อมนเป็นหนึ่งเดียวเป็นหนึ่งเดียวมันเชกที่มันมีเกลวสามเส้นสามเกวที่ขั้นขึ้นมามาเป็นเส้นเดียวมันจะมีลักษณะเป็นเส้นเดียวที่ยึดเหนี่ยวกันอยู่ในลักษณะของสื่อของพัญญาก็ขึ้นเดียวกันถ้นบังว่าเราเจริญต่ปฏิบัติต่อล้อมันจะค่อย มีสติมีปัญญาอย่างหยาบอย่างกลางแล้วก็อย่างละเอียดสามารถที่จะเข้ารู้ละเอียดลึกเข้าไปลึกเข้าไปกิเลสตอนนี้ก็มีอย่างหยาบก็มีอย่างกลางกลางก็มีแล้วก็อย่างละเอียดก็มีอย่างที่เรารเรื่องไม่าทันทเลยก็มีละเอียดที่เราอีกเพราะนั้นสติปัญญาเราต้องละเอียดนี้่มากขึ้นตามลาดับไม่ได้การเตืินการกระทําให้มาก ๆ, ๆนี่นเองเพราะการมาศึกษาเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่เรามาศึกษาตัวเองโดยตรง มาดูจิตดูใจของเราโดยตรงนั่นไม่ได้ไปอ้างเกี่ยวกับสิ่งอื่นสึ่งภายนอกเรื่องการอ่อนวอนการเบ่งเสว่งการกราบการไหว้ผีสาเทวดาให้มาเชื่อมันละกันได้แล้วเรามาทํำช่วเหลือตัวเองพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอัตตาอัตโนนาโถเป็นเาเป็นที่พึ่งของตนถ้าก็เราไปพึ่งสิ่งอื่นอ่อนวอนให้เราอย่างบ้าางนั้นเีกไรเนี้ยมันไม่เป็นการสำเร็จมันสำเร็จที่ด้วยการกระทํา ประทศาสนาของเราสอนเรื่องกรรมเรื่องการกระทําถ้าทําดีดีทําไม่ดีให้ดีเมื่อเธอทําทดีมันก็ต้องได้ย่อมได้รับผลทางความดีตามเหตุาตามปัจจัยเพราะว่าความดีนี้หมายถึงจิตใจมันสะอาดทำไรเสร็จมันท่นองใสมันเป็นสุขถ้าเราทําไม่ดีจิตใจก็เป็นจิตใจแบบปกติมันมีความโลภจัดมีเทสะจัดแล้วก็มีความหลงมัวเมาจัดแล้วก็เป็นเหตุให้เรานั้นเป็นทุกข์ เพราทุกน no ั right nice right ้นมันเกิดขึ้นเรื่องมาจากพอไม่รู้ทั้งหลายน่เองพอไม่รู้ขึ้นมาแล้วมันก็คิดเกี่ยงต่างไปละเรื่องดีเรื่องร้ายเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาในจิตในใจจิตใจก็เศร้ามองขุนมัวนะจิตใจก็ไม่สงบไม่เป็นปกติแต่ถ ke, ้าเมื่อเรามามีสติมีปัญญามีสมาธิอยู่ในจิตในใจแล้วมาสึกว่ามันมีมันเกิดขึ้นในเราแล้วเนี่ยมันจิตใจมันก็จะสะสาดใสสะอาดไปเพราะว่าใจเราเราทหก็ไม่ตัดไม่กวาดไม่เท็จไม่ ทำความสะอาดมันก็สกรปรกเหมือนกับบ้านเรือนทั้งเราเนี่นะหากไมเช็ดถูตัดกวานไม่ทำความสะอาดแล้วมันก็สกปรก ส, งงสิ่งนั้นบ้างสิ่นี้บ้างเข้ามาเกาะมาติดเป็นไปด้วยสิ่งที่ไม่สะอาดต่อถ้าเราพยายามที่จะฝึกฝนอดลงจิตใจเราอยูย่โดยเดิมดูใจเาอยู่โดยเดิมกำจัดตัดเ่าปัญหาใจอยู่โดยเรู้ถ้าทันต่อสิ่งที่มันจะ ม, ม, มาทำความสกอาดแล้วใจเราก็จะสะอาดดังนั้นใจเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดถ้าเรามาฝึกใจอดลงใจ เพื่อมาดูใจเราอยู่บ่ๆแล้วเนี่ยเราจะรู้จักตัวเองมากขึ้นเพราะเออใจนี้ก็เป็นลักษณะของอนามพธรรมเป็นลักษณะของธาตรู้ที่มันมีอยู่ในกายนี้ใจไม่ก็หาได้มีตัวตนอันใดไม่มันคิดขึ้นมาแล้วเกิดต่อมแล้วมันก็บดไปความโกรธก็ไม่มีตัวตนความรักก็ไม่มีตัวตนความชังก็ไม่มีตัวตนแ้แต่ความรู้สึกขึ้นมาคิดขึ้นมาต่างๆมันก็หาตัวเตนไม่มีมันเกิดไปขึ้นมาแล้วมันก็บดไปเกิดขึ้นมาแล้วมันก็บดไป อาศัยเหตุปัจจัยท so so ี่มากระทบทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างการกระทบทางกายบ้างแล้วก็เกิดสัญญาเกิดความรู้เกิดความจำเมื่อคิดเป็นตังขึ้นัามันเป็นลักษณะอยู่อย่างนั้นถ้าเรามาเห็นลักษณะของการปรุงแต่งของใจแล้วเนี่ยมันก็เห็นสิ่ที่น่ากลัวมากเลยถ้าเราเผลอจิดคิดก็ไปในอะไรหแห่งของโลกเราเนี่ยจิตจะเริ่มเป็นทุกข์เป็นหนักแต่จิตมันจะหนักจิตมันจะมืด ถ้าสติเราไม่พันแล้วเนี่ยเช่นเรามีความเจ็บรู้สึส ก, รรกไม่พอใจครับทุกคนเนี่ยจิตมันจะมีเป็นทุกข์มากเลยจิตมันจะเด้นเลนตัดใจเล่าร้อนไม่สบายอ๋อนี่แหละคือตัวทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจากที่เราไม่ได้ควบคุมอวิชชะไม่ได้ควบคุมกายไม่ได้ควบคุมใจรำวิปัสสนานี่แหละมันจะเป็นสิ่งที่แก้ปัญหาทิศของเราได้โดยที่เรามาฝึกจิตฝึกใจให้มันเกิดสติเกิดปัญญาให้มันรู้ขึ้นมานี่จะเป็นวิปัสสนามันจะเป็น ทิปตะนาญาันเข้าไปทำลายไอ้ความไม่รู้ความหลงความเผลอลักษณะของคว า, ามรู้ให้เป็นลักษณะแบบรู้ทำความคิดความคิดเพราะว่าไอ้ความโกรธมันจะเกิดขึ้นมันก็มาจากความคิดคิดก่อนตรงต่าเมื่อก่อนมันยังเกิดขึ้นมาไอ้ความรัก็วามกันมันจะเกิดขึ้นมาพร้อมความคิดความอยากความตรงแต่งงางของใจมันยังเกิดขึ้นมาทนีนี้ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมานั้นเนื่องมาจากโมโนกรรมคือการกระทําทางใจ ความไม่ชุ่ต่างทางใจถ้าดใจขาดสติขาดปัญญาหรือขาดสัมปทญญะในการที่จะควบคุมดูแลรักษาแล้วเนี่ยนั่นมันเกิดบ่อยเพราะว่าการเกิดอะหลายอย่างแล ะ, นะในใจเรานั้นะอาจจะเกิดดีเกิดชั่วโดยท่านผู้รู้ท่านจึงสมมติบัญญัติเลือกอารมณ์ของจิตนั้นไปต่างๆนะเช่นว่าในขณนะใดที่จิตมันมีความเล่าร้อนเป็นทุกข์มีความโกรธมีความพยาบาทมีความอาฆานตนัจิตใจ ตรนสะเทือนนั่นลักษณะของใจที่มันตกนรกท่านว่าอย่างนั้นนรกแบบทั้งความร้อนใจมันลักษณะของนรกที่มันมีอยู่ในใจเราใจเราตกบ่อยมันเป็นเพราะว่าเรามันไม่รีมีสติควบคุมใจมันก็ตกบ่อยลามันเกิดความโกรธจัดขึ้นมามีความพยายามอยากได้จิตใจวุ่นวายกินไม่ได้นอนไม่หลับมีความพุ้งสร้างเป็นเป็นโรคประสาทในขณะนั้นอาจจะตกไปสู่โทมแห่งเติดอย่างที่ท่านกล่าวเอาไว้ก็ได้นั้นแหลลักษณะของจิตที่มัน แต่ดก็อยู่ในเพดของเป็ดแต่ในขณะใดียวกัมีจิตที่เกิดความหวาดกลัวระวางกลนะัวกลัวสิ่งนั้นกลั่สิ่งนี้เกลี่ผิวกลี่อะไรต่างๆจิตใจ ก, ก็มีหวาดผวากระดึ้งเหมือนว่าจิตอยู่ในสภาพของอสุรกายที่มีความหวาดกลัวแต่ถ้าจิตของเรานั้นนะมันอยู่ในสภาพที่เป็นปกติธรรมดาอยู่มันมีสติมีการควบคุมแก้คุ้มรักษาอยู่ในความปกติ นั้นอาจจะเป็นมนุษย์เป็นเทดาเป็นอินทรพงศ์ทวากีเลศนั้นไม่เกิดขึ้นเลยในะจิตในใจนะจิตใจนั้นมีความเป็นปกติสูงสุดมีความสะอาดสูงสุดเมืกก่อกัะทบสัมผัสกับสิ่งภายนอกแล้วจิตไม่ถูกปรุงให้เกิดราคาาาะเทศโมหะอาจจะเรียกว่าเป็นพระอาเจ้าหรืออะบุโคลฉะนั้นอยู่ยวกการควบคุมจิตหรือว่าการทําลายาสิ่งที่ไม่ดีไม่งานจิตนี้ออกไปในเองจริงๆท่านเมื่อเรานั้นมีจิตอิออตนญาณสูงเพราะว่าเป็นจิตที่ไม่ ฝักไในอารมณ์ที่จะมาทําให้เกิดความร้อนใจนะพระจิตเราต่ำมากเท่าไรเราจะมีทุกมากเท่านั้นอระจิตเราเร่งมีพระที่สูงสะอาดบริสุทธิ์มากเท่าไหร่ก็ยังมีความสงบสุขมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาฝึกจิตฝึกใจดูจิตดูใจของเราบ้างเพราะพระพุทธศาสนาของเรานั้นมุ่งสั่งสอนเรานั้นทําละจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์หังที่เราได้สวมมนุ์ทุกเช้าทุกเย็นว่าสัพตาปัศกรนัง การเน่ทำนบตัตรทั้งปวงกุศลสุประสัมพาัาธการทำกุศลให้ถึงพร้อมสัิจะประโยชน์ทั้ังการำนัตกิของตนเองนั้นให้สะอาดบริสุทธิ์อันนี้ทำสามอย่างนี้เป็นคำอสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพิธศาสนาของเราพระตม อ, องจะทรงสอนปริยายหลายอย่างหลายวิธีการก็ทรงมุ่งมาสู่ให้เราเลิกจากความช่วสมพิจา มาประพฤ ต, ติทางสุจริตด้วยาด้วยวาจาด้วยใจแล้วก็ทรงเมือ ง, งสอนให้จิตใจนั้นสะอาดไปสุดนันถึงจะเป็นวิถีทางที่จะทำเมื่อไรนั้นพ้นจากความทุกข์เอาความทุกข์เกิดขึ้นขึ้นจากคามประพฤติผลิตนั้นเราก็มองเห็นกันได้หน้าเลยว่าว่าเรากับการทตผลิตทําไม่ถูกต้องเมื่อเป็นการเมื่อเป็นการเดือดร้อนเป็นเองและผู้อื่นทําให้เดือดร้อนแล้กับทั้งสองฝ่ายทั้งต่วยกัเองก็เดือดร้อนผู้อื่นก็เดือดร้อนแต่เมื่อเราทําสุจริตเชินให้ทามรักษาศีลรักษาความสามัคคีเป็นผู้ที่ทีก อติจาที่โอบอ้อมอารีก่าวาจาจกะกด้ายคำที่ไพเราะน่าฟังหูือจกเชื้อระบริจาคทานหรืจากวางเป็นน้นให้สม่ำเสมอหรูอจากเอเหลอเพื่อคุยในหมู่คณะเพื่อนแงไม่เป็นคนที่เกอียดขันยันนี้ก็ทำให้เรานั้นอยู่ในสังคมไม่มีความสุขเพราะเราได้ประพฤติในสิ่งที่ถูกต้องในใจที่เป็นความดีเพื่อให้เรานั้นได้อยู่ในสังคมนั้นไม่เบีดเียนซึ่งกันละกันทนั้นไอการประพฤติ คามดีสวาเชื่เราก็มองเห็นดูแล้วว่าเป็นสิ่งที่มันให้ผลโดยตรงแล้วเวลาทาไม่ดีเราก็ทุกข์เดือดร้อนยุ่นยานว่อเราทําดีแล้วก็กววอบ อ, อ, อิ่มมีใจที่สงสัมีใจที่น่าเริงเบิกบานอันนี้ลักษณะของเอในจิตใจนะทุกคนเป็นอย่างนี้นนทั่ ง, งนี้ดับยัดเรว่าบุญบุญก็คือความสุขความสบายคือจิตใจที่มันสะอาดบริสุทธิ์เต่าจากโรคเกิดหลงบาปสมาธิจิตใจที่มันมีแต่ความโลภความเกลีดความหลงคือนจิตมใจ เกามีความรอดกดหลงผักบำเดินจิตในใจร้วนอะ่ะเพื่อใจกับชื่อจรตปเอ่าจิตใจที่เป็นความเรอดกดหลงทำก็ทำไม่ได้สองรอดกดหลงแล้วผลรัตที่เรามาก็เป็นความทุกข์เหือยร้อนยืนบางพราะเมื่อเรามาปฏิบัติทรมฝุกอย่างนี้ก็จะเป็นเหตุให้ทำให้เรามันรูจ้จักว่าความรอดกฎหลงมันเกิดขึ้นในใจ น, น, นี่แหละเป็นเหตุหั่ามเกิดเป็นทุกถึงทุกอย่างความไม ให้จิตใจนั้นเรียกว่าเประยะบุคคล น, นี้เป็นพระ เ, เจ้าจเป็นผู้ที่ไม่มีการทกเพราะนั้นเราเป็นทุกข์อะไรักเนี่ยทำบุญก็เป็นธรรมเพื่อจิตใจนั้น ใ, ให้พ้นกจาดสระไปสุดเข้ทานก็ดีรักษาศีนก็ดีพยายามให้ทามเพื่อละความกระเนื้อละความเห็นแก่ตัวเพื่อเป็นการช่วยสองฆ์ที่เหลือบุคคลอื่นด้วยจวิตใจที่ใสสะอาดไปสุดไม่หวังสิ่งใดแต่แทนคือเป็นการละความโลภอยู่ ด้วยอาศัยการกระทําการให้เป็นสิ่งนี่ก็ีือว่าการมาเพ็นบนเพื่อเกิดบนกระติดเติบงเราได้ขึ้นเดียวกันเป็นการรักษาศีลก็รักมีเจตนามีการมัดเว้นหวังความสะอาดบริสุทิ์ของจิตใจเราด้วยการไม่กระทบเบียดเบียนผู้อื่นและตนเองก็ถือว่าการรักษาศีลรักษาเป็นที่ถูกต้องแล้วที่เมื่อเรามาเจริญภาวนาก็เพื่อที่จะให้เกิดสตุเกิดปัญญาในการที่จะรู้รู้เท่าทันต่อ อารมณ์ควาิรู้ึกที่มาเกิดขึ้นทางมาจิตในใจทั้งสติปัญญามันจะเริยนงอกงามขึ้นในการมาเศ้ามาระวังจิตระวังใจไม่ให้ประมาทคำว่าประมาทหมายถึงการเผลอจิตการปล่อยจิตให้ไหลไปด้วยความไม่รู้เท่าทันที่จิตเกิดโทสะเกิดความขัดเคืองเราก็ไปหลงเป็นเลี้ยเป็นเต็มปกับโทสะกับความขัดเคืองนั้นจิตเกิดราคะโทสะโมหะ เกิดความกลัวขึ้นมาปล่อยให้จิตมันไหลไปกับอารมณ์สิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติที่เข้มแข็งร้อนเนี่ยต้องรู้ดูอารมณ์นะพยายามก็มรู้ดูอารมณ์อยู่ใบๆอยู่กับเพื่อนก็ดีอยู่คนเดียวก็ดีอยู่กับโมณะเพื่อนเผงก็ดีก็อ ย, า ย, อ ย, าย่าเผลอจิตอย่าเผลอใจพยายามมีการชื่อเรวอนระวังอยายตนะตาหูจมูกลิ้นกายเอาไว้เป็นการที่จะรู้เท่ารู้ทันต่อสิ่งที่มันจะมากระทบสํบาผัสรู้ใจอยู่บๆ มันคิดขึ้นมาข้างในก็พยายามที่จะมีสติจัดรูท้ทันในทุกครั้งทุกครั้งแต่จะกลันท่อคิออกมาพยายามมีสติเข้าไปกลั่นไปกรองอเอาแตปัญญาเข้าไปเป็นที่ตัดสินว่าคิดแบบนี้คิดเป็นกุศล อ, อ๋อไม่ดีพาคิดเป็นกุศลไม่ดีนควรทำควรพูดแล้วก็ควรนมกคิดไปสิ่งนี้เป็นอกุศลเมื่อคิดไปร้อนมันเกิดความร้อนคเกิดความหลงรู้หยุดละปล่อยวางไม่เอาล้อสิ่งนี้เบียดร้อนกันไป ว่ามันคิดมาอย่างนี้คิดเป็นกลางกลางไดีไม่เที่ยเราจะรู้มัะ่ ะ, ะ น, นความรู้อันนี้นะคือรู้รู้ในจิในใจนี่แหละรู้ในการกระทำของเราเนี่ยแหละอืเพราะว่าวิสัชนาแบบของการรู้การเห็นตารเข้าใจาตัวเองมาฝึกตัวเองพยายามดับมีสัยตัวเองเคยพูยดมากก็พยายามเป็นคนพูดไม่น้อยเคยเกลียดค้ามก็้องพยายามซื่อเป็นคนขยันขึ้นหน่มาเธอเป็นคนที่ชอบเผลอพยายามที่จะมีสติ ล้วลึกรล้สิกเตัวให้หามากเโืนการบัติธรรมนี้เป็นการป่าเตืนมากเลยเพราะในช่วงการปฏิบัติจะมีพิยมานนะละลายพิยมานที่จะมาคอยขวางกั้นในการ